พระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ470พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์เหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถี จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงเหล่านั้น กำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีหม่อมฉันจะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีบรรดาภิกษุทั้งฝ่ายธรรมวาทีและฝ่ายอธรรมวาทีเธอจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นฟังแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจ ความชอบธรรมและความเชื่อถือของพวกภิกษุฝ่ายธรรมวาทีอันหนึ่งวัดที่ภิกษุนีสงพึงหวังจากภิกษุ์สงทุกอย่างนั้นก็พึงหวังจากภิกษุฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้น